ข้อ16การไม่คบชื่อว่าอาเซวนาบทว่าบาลานังได้แก่ซึ่งพวกชนพาลบทว่าบาลานังเป็นฉัติวิพัตลงในกรรมแม้ในบาทที่สองก็มีในนี้เหมือนกันการบูชาชื่อว่าปูชาบทว่า ปูชเน ย, ยานังได้แก่วัตถุทั้งหลายที่ควรบูชาบทว่าปูชเน ย, ยานังเป็นจตุถิวิพัตลงในสำปทานะอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเป็นฉัดถีวิพัตลงในกรรมดังนี้ก็มีบทว่าเอตังเป็นต้นความว่าการไม่ครบพวกคนพานหนึ่งการครบพวกบัณฑิตหนึ่ง การบูชาวัตถุทั้งหลายที่ควรบูชาหนึ่งกรรมสามอย่างมีการไม่ครบเป็นต้นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมีคำอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดาปัญหากรรมใดอันเธอถามแล้วว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดในปัญหากรรมนั้น เธอจงถือเอากรรมสามอย่างนั้นว่าเป็นมงคลอันสูงสุดก่อนความสังเขปในพระคาถาที่หนึ่งนี้เท่านี้ส่วนความพิสดารในพระคาถาที่หนึ่งนี้ดังต่อไปนี้บาละปันดิตาเซวนาเซวนากาธาคาถาว่าด้วยการครบบัณฑิตและการไม่คบคนผ่าน